ก็ร่วงเลยมาถึงตีห้ากล้จะรุ่งแล้วฉะนั้นให้ทุกคนช่วยกันตื่นเนี่ยคำว่าตื่นคำเดียวผู้ปฏิบัติธรรมว่า จะต้องเข้าใจเพราะว่าตื่นก็คือตื่นจากหลับนี่ก็ตื่นขึ้นมาจากความหลับอันนั้นอย่างนี้ภาษาคนเราก็เรียกว่าตื่นคือตื่นจากหลับทีนี้ถ้าตามภาษาธรรมะคำว่าตื่น ตื่นจากอะไรกันแน่คำว่าหลับคืออะไรภาษาธรรมะแม้แต่เราเดินอยู่นั่งอยู่ลืมตาอยู่ถ้ายังมีโลภโทสามโมห์ก็เรียกว่ายังหลับอยู่คือหลับอยู่ใต้อำนาจของอวิชชา วิจตันหาอุปาทานปกชาติหลับอยู่กับอวิชาก็ยังไม่ชื่อว่าตื่นทั้งทั้งที่ลืมตาอยู่ก็ยังหลับอยู่นี่คือภาษาธรรมะหรือภาษาธรรมชาติพราะภาษาธรรมะ ก็ต้องเอาภาษาคนนี่แหละมาพูดภาษาธรรมะจริงๆเป็นภาษาสากลเป็นภาษาธรรมชาติยนั้นคำว่าหลับคาว่าหลับไม่ใช่หลับตาแม้แต่ลืมตาก็หลับเดินอยู่ก็หลับทำอะไรอยู่ก็หลับ <c oughs> ความรู้สึก พราะว่าตัวกูด้วยความรู้สึกที่อยู่ใต้อำนาจของอวิชามันก็ทำให้สะกดจิตนี่หลับอยู่เราจะกินเราจะดื่มเราจะอยู่ในอิเดียบทไหนมันก็ยังหลับอยู่ฉะนั้นสับว่าพุทธโธ พุโทโธพุโทโธผู้รู้แล้วก็ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เห็นความจริงรู้แล้วก็ตื่นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าหากว่าหลับอยู่ก็จะเห็นอะไรมันก็เห็นหลับหลับ เห็นด้วยความระมือเห็นกับตาเนื้อไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้จะรรู้บนตึกในห้องเอ พรงจะจะรู้ในป่าแล้วก็เวลาใกล้รุ่งเวลาใกล้รุ่งเราจะต้องตื่นขึ้นมาจากหลับตามธรรมดาจากการพักผ่อนขึ้นมาตรวจดูว่าจิตนี่มันเป็นยังไง ต้องปลุกจิตให้มันตื่นขึ้นมาด้วยการนั่งสมาธิด้วยการภาวนาด้วยด้วยการเดินจงกรมด้วยการทำให้มันตื่นอย่าให้มันหลับอยู่กับตัวกูคืออาวิชชาแค่นั้นเวลาใกล้รุง เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะดอกไม้มันก็เริ่มที่จะพลีกรีบขยายกรีบแล้วก็จะบานในตอนเช้าเมื่อมีแสงพระอาทิตย์แมลงนั้นก็มาตอมกันหึง่ง ก็ทำให้มีประโยชน์ร่วมกันเม่แรงนอกจากว่าได้นำหวานจากดอกไม้แล้วก็ยังทำประโยชน์ให้ดอกไม้ด้วยการที่ผสมพันธุ์ดอกนี้บ้างดอกโน้นบ้างแล้วไปผสมพันธุ์กับดอกอื่นๆ นี่มันร้วนแต่มีประโยชน์ที่อาศัยซึ่งกันและกันไม่มีแมลงตัวไหนที่จะไปตอมดอกไม้ในเวลาเย็นมันมีแต่เวลาเช้าเท่านั้นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าในตอนเช้ามืดจนกระทั่งว่า6กโมงกว่า เป็นเวลาที่มีประโยชน์มากสําหรับที่จะทําให้เราตื่นขึ้นมาฉนั้นตื่นเถิดเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทตงช่วยกันตื่นเถิดถ้าตื่นนั้นแหละคือมีพุทธโธอยู่ข้างในเพราะคําว่าพุทธโธแปลว่ารู้ตื่น มองเห็นความจริงมีความเบิกบานแจ่มใสสงบเย็นนั่นคือผู้ที่ตื่นและนั่นพุทธบริษัทก็คือบริษัทที่ตื่นตอนที่อาตมามีอายุสิบหกสิบเจ็ดปีตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่ที่วัดโกหาสวรรค์ ุฏิอยู่ใต้ต้นมะขามทางทิศเหนือของอุโบสถตอนนี้ต้นมะขามนั้นก็ยังอยู่ม้มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านหมจีวอนแก่นขนุนเป็นพระสูงอายุท่านก็อยู่ที่ท้ำนางคลอด เรียกกันว่าพ่อท่านคล้ายท่านก็ทําอะไรในป่าช้าบริเวณนั้นทําวัวสําหรับที่จะใส่กระดูกปั้นอะไรไว้ที่หน้าทัพท่านก็ทําอะไรหลายๆอย่างก็เท่ากับว่าที่ถ้ำนางคลอดท่านเป็นผู้บุก เบิกขึ้นมาเองมีกุฏิอยู่สองหลังเลยป่าช้าเข้าไปหลังหนึ่งก็สองห้องอีกหลังหนึ่งก็ห้องเดียวตอนที่อาตมามาอยู่ใหม่ๆม่ก็มาอยู่กุฏิในป่าช้าแต่ว่าจะต้องเดินผ่านที่เผพสศก แล้วก็เดินผ่านที่ศาลาตั้งศพเพราะว่าทางนั้นมันอยู่ตรงกลางตอนที่เป็นสมณีนก็กลัวผีพอสมควรแต่ว่าก็ต้องเดินไปตอนค่าจะต้องออกมาแปลหนังสือกับเพื่อนเพืาอนก้างน อ, องประมาณจักสามตุ่งสามสี่ทุ่ง ต้องเดินก้าวไปมีใครเป็นเพื่อนก็มีพุโทโธนั่นแหละเป็นเพื่อนเพราะไอ้้างขวามือมีต้นมะขามมีต้นละมุดมีต้นอะไรเต็มไปหมดที่สำคัญคือเป็นที่ของสดทางซ้ายมือก็อเป็นศาลาสำหรับที่พระ นั่งสวดศกแง่ก็เป็นภูเขาไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงแง่ก็ไม่มีกุฏิพระนอกจากสองหลังนั้นสองหลังนั้นก็ไม่มีพระก้าวไปอยู่เราก็อยู่กุฏิที่สบายสบายแต่อาตามาเองจะต้องอดทนเพราะไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปอยู่ที่นั้น ที่นี้ที่บอกว่ามีพระรูปหนึ่งที่ว่าพ่อท่านคล้ายเกย้ๆก็ก็ว่าพ่อท่านคล้ายเป็นพระบ้าก็ดูแล้วแค่ก็มีขึ้นมาบางครั้งในปีนั้นก่อนที่จะเข้าพรรษา คือท่านคงจับ้าในการปฏิบัติแล้วก็ไม่มีที่ปรึกษาท่านก็คงมจีวร้าสังกติเรียบร้อยแล้วก็มีอาสนะเป็นผ้าหลายลูกแก้วทีนี้ตอนเย็นท่านก็ถือบาทไปบินจบบาทในตลาด แต่ท่านก็ไม่เอาอะไรเหมือนกับว่าท่านแสดงปริศนาธรรมอย่างนั้นไปในตลาดไปมินธบาทคนจะใส่เงินก็ไม่เอาใส่อะไรก็ไม่เอาไม่เอาทางนั้นก็กลับมาก็ ข, าขึ้นไปบนภูเขาภูเขาที่มีกุฏิอยู่นั่นแหละที่ที่ประบาทอยู่ก็ไปนั่งสมาธิ คือเท่ากับว่าขึ้นไปจำพรรษาจันดาวดึงของท่านท่านก็เพียนไปบางครั้งแล้วก็ลงมาพอถึงเวลาพระท่านทำพิธีข้าพรรษาต้องมีกิจกรรมคือการเทศก่อนตอนนั้นสาราโรงทมยังเป็นสาราไม้อยู่ พอเทศจบก็มีการเวียนเทียนชาวบ้านก็เวียนเทียนพระก็สวัิดีที่พิโสท่านก็เลยเวียนเทียนด้วยแต่ว่าเวียนอยู่บนศาลารงทางไม้นั่นแหละมันก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่มันก็ยั่วยั่ทีนี้เมื่อเวลาเวียนเทียนเขาก็ตีทั้งกรองตีทั้งละคังท่านก็เวียนเทียน นำหน้าชาวบ้านก็ก่อนแล้วกตอนที่แล้วก็รั้วระกำรัร้วกรองท่านก็เดินไม่เดินธรรมดาเลยทีนี้เดินปักเดียวเลยท่านก็เดินเรึ่งเดินเรึง่งวิ่งเลทีนี้นี่คือการแสดงอาการของท่าน ก, ก็เลยว่าพอท่านกลายบ้า ทิ้มีมีอยูต่ตอนเช้ามืดของวันหนึ่งท่านกงจะคลึ่มขึ้นมาผมจีวร้าสสังกติเรียบร้อยก็ม า, มาที่ใกล้ๆที่กดตีที่อตัตมาอยู่ท่านก็ตะโกนทีนี้ตะโกนว่าอย่างไงกุกกุนโธกุกุกุโธกุกกุนโธ ลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดอุกุโตนแปลว่าไก่ลุกขึ้นเถิดตัวให้ช่วยกันลุกขึ้นในตอนรุ่งว่าจันประกรูเก็ตมัวนอนเก็ตไปเก็ตมาอยู่นั้นเมื่อไหรจะตื่นขึ้นสักทีตื่นเถิดตื่นเถอตื่นเถิเเดแล้วก็ไปที่ กุฏิเจ้าคุณพิสารทรมรังสีท่านก็ไปตะโกนว่าตื่นเธอตื่นเธอตื่นเธอ น, น, น, นี่ตื่นฉะนั้นท่านคงจะเข้าใจคำว่าตื่นก็เลยเจยวปลุกคนนั้นคนนี้ให้ก็ตื่นเพราะนั้นเห็นแสดงท่านแสดงอาการอย่างนั้น อาจจะมีเป็นปริษนาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะท่านปฏิบัติโย์เดียวในวัดกว่วาสวรรค์นอกนั้นก็เรียนบาดีสอนบาดีสอนนักธรรมกันไม่ฝักไฝในเรื่องอื่นแต่ท่านเองฝักไฝในการปฏิบัติคงจะไม่มีพูดสนทนาหรืออะไร ตอนนั้นธรรมหาก็เป็นสามเด่แล้วก็เหลือเดาก็เลยกล้าใจว่าท่านคงจะรู้แต่ว่าบังคับจิตเอาไว้ไม่อยู่พอทำให้เกิดการฟุ้งสร้างขึ้นมาไอนี่คือคำว่าตื่นเพราะนั้นคำว่าตื่นนี่เราต้องตื่น คือ ท, ทำจิตนี้เดี๋ยวให้ตื่นให้อยู่เหนือประสาททั้งหลายเพราประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกลิ้นกายมันเป็นประสาทที่รับรู้ภายนอกและรู้แล้วมันรู้ไม่จริงรู้รูปก็ไม่จริงรู้เสียงรู้กลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็รู้ไม่จริง คือมันรู้ไม่ตลอดสายเมื่อรู้ไม่ตลอดสายมันก็เลยเป็นธาตุประสาทข้าวไปดีใจบ้างข้าไปเสียใจบ้างแล้วก็ไม่เห็นการเกิดดับของรูปไม่เห็นการเกิดดับของเสียงปลิ่นลดสัมผัสแล้วก็ทำมารมเหล่านั้นนี่เรียวกว่าไม่รู้ตลอดสาย เมื่อไม่รู้ตลอดสายมันยังอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาราคะตัณหามันก็เลยไม่ตื่นคือหลับอยู่กับอวิชชาตัณหาอุปาทานมนก็น่าสงสารหลับอยู่ตลอดทั้งปีหลับอยู่ตลอดทั้งตลอดทั้งชาติ หลับอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยมันแค่นั่นหรือเมื่อหลับแล้วมันก็ถูกมอมเมาด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานเหล่านั้นนั่นก็เลยต้องเป็นาธาตุตาเป็นธาตุหูเป็นาธนาตุจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้เห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรส มันก็หลับอยู่แค่นั้นลืมตาอยู่ก็หลับหลับอยู่ก็หลับนี่คือไม่มีพุทธุไม่มีตัวคาว่าตื่นเป็นผู้ที่ไม่ตื่นฉังนั้นเมื่อเรารู้สิบตัวมีความสำนึก ว, ว่าเราเป็นพุทธบริสัท์ เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะต้องรู้รู้จักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรู้จักธรรมมาลรู้จักสิ่งเหล่านั้นว่ามันเกิดเกิดดับดับรู้จักตาหูเป็นต้นว่าเกิดเกิดดับดับรู้จักจักสุวิญญาณ เซตวิญญาณกาณนะวิญญาณชิวา่าวิญญาณมนวิญญาณก็มันมีการเกิดดับแล้วมันก็ไม่มีตัวตนให้ตื่นแล้วก็อยู่กับความไม่มีตัวตนถ้าหากว่าเราหลับหลับอยู่กับอวิชชาอาวิชชานั้นมันจะเข้ามาครอบรุมจิตมันจะบังคับจิต ทำให้จิตนั้นมัวหมองทีนี้ถ้าเมื่อจิตนั้นอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาหลับอยู่กับอวิชชาอาวิชชาจิตที่ประกอบด้วยอวิชชามันก็คิดเป็นแต่ว่าความคิดก็เป็นการปรุงแต่ง เรียกว่าเป็นกายสังขารกายสังขารก็กรุงแต่งไปตามธรรมชาติแต่ว่าจิตงโง่คือจิตที่ถูกครอบครุมด้วยอวิชชามันก็เข้าไปคิดว่านี่คือร่างกายกูตอนแรกมันก็ว่าจิตกูก่อนก็มันมืดมันไม่ได้ตื่นมันหลับอยู่มันก็ว่านี่คือจิตกู จิตนี้เป็นตัวกูที่ท่านอาจารย์พุทธทาท่านพูดว่าตัวกูตัวกูนั่นแหละใ้คำว่าตัวกูไม่ได้หวายเอาร่างกายอย่างเดียวในที่ตัวจริงหมายเอาจิตคือจิตนั่นแหละที่ถูกอวิชชาข้าไปครอกเงาเนี่ยมันก็ข้าไปจิตถือว่าจิตนี้เป็นกูจิตนี้เป็นตัวกู ท้นี่เมื่อมันก้าวไปเอาจิตเป็นตัวกู้จิตนั่น ก, ก็ถูกปรุงดินมันถูกปรุงมันก็ว่านี่คือกายกู้ร่างกายที่เป็นธรรมชาติที่มันเกิดเกิดดับดั บ, ดบตามธรรมชาติมีความแก่เก้ามาครอบงํามีความเจ็บก้ามาครอบงํามีความตายก้ามาครอบงํามันไม่อยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่เฉย กราร่างกายนี้มันก็ไหลไปเรื่อยตามกฎของธรรมชาติแต่ว่าจิตที่มันไม่รู้จักตัวมันเองแล้วมันก็ไม่รู้จักกายมันกล้าไปยึดถือตัวมันเองคือตัวจิตนั้นว่าเป็นกู้ข้าไปยึดถือร่างกายนั้นว่าเป็นของกู้แ้วมันก็กล้าไปยึดถือ ในสังขารที่เป็นวจีสังขารว่ากูพูดคำพูดนี่เป็นของกูนี่เรียกว่าวาจีสังขารคือถูกปรุงแต่งแล้วก็จิตสจตสังขารจิตตสังขารก็มีหน้าที่ในการคิดจิตนี่มันมีหน้าที่ในการต่อมีหน้าที่ในการคิด มันก็ว่ากูคิดกูคิดที่คิดขึ้นมาเนี่กูคิดดังนั้นมันก็เลยเป็นสังขารขึ้นมาเป็นกายสังขารการกระทำกายสังขารที่เป็นร่างกายก็อย่างหนึง่งเป็นการกระทาก็อย่างหนึง่งก็รวมเป็นกายสังขารทำนัน้นกายสังขาร ก็จิตนี้ก็ไปยึดถือว่ากู้วจีสังขารก็กูจิตตะสังขารก็กูนี่คือเปลี่ยนจากอาวิชาลงมาเป็นสังขารลงมาเป็นสังขารอย่างนี้นี่คือมันหยุดไม่ได้เพราะมันไม่ได้ตื่น นี่ถ้าจิตมันตื่นขึ้นมาเมื่อใครไปเคาะหัวสักทีหนึ่งก็ทําให้จิตมันตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมามันก็เกิดวิชามันก็เกิดปัญญาขึ้นมาโอ้นี่มันไม่ใช่เราจิตนี้มันไม่ใช่เราจิตนี้เป็นธรรมชาติจิตนี้ไม่ใช่กูที่นี้เมื่อวานนี้ ก็ได้พูดเรื่องพระพุทธเจ้าปราบโจนองค์รีมานซึ่งเมื่อวานก็ไม่สามารถที่จะพูดให้ตลอดได้องค์รีมานก็ยังหลับไหลอยู่คือเมื่อเป็นอายญิงสกากุมารก็เป็นเด็กที่อยู่ในโอวา มีระเบียบเรียบร้อยน่ารักแต่เสร็จแล้วเมื่อมาอยู่ที่สำนักอาจารย์อิศาป่าโมกเพราะเป็นคนที่ดีเกินไปเพื่อนก็เลยอิจฉาเมื่อถูกอิจฉาก็ถูกเบียดเบียนเพราะว่า ไม่ตัวเองก็ไม่ดีเท่ากับอ้หญิงสกากุมารก็เลยโดนฟ้องบ่อยๆไปฟ้องอาจารย์ที่สาบาโม่กว่านี่อ้หญิงสกากุมาร น, นะจะไปเป็นชู้กับเมียของอาจารย์นะอย่างนั้นอย่างนีเรื่อยไปเป็นชู้กับลูกสาวอาจารย์นะ ก็เลยพอบอกหลายกล้งหลายคราวข้าอาจารย์ก็คงจะหูเบาไปบ้างเหมือนกันก็เลยต้องให้ไอ้หิ้งสกากุมารไปตายเอาดาบหน้าคือให้ทาวิทยานิพนด้วยการไปล่ามนุษย์พอตายคนหนึ่งก็นิ้วมือมา ร้อยเป็นพวงมาเลยจนกระทั่ว่าได้เก้าสิบเก้านิ้วตอนิ้วสุดท้ายเราก็รู้กันดีในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะออกไปบินบาตก็ส่องดูด้วยยานของพระองค์คือเหมือนกับกระจกอย่างนั้นยานนี่เป็นเหมือนกับกระจกอย่างนั้น ว่าเช้านี้เราจะไปโปรดใครที่ไหนไปโปรดอ่ะไม่ใช่ไปบินตบาทแล้ว็อกอมาฉันหมายถึงว่าไปโปรดสัตว์ไปคุยธรรมะไปอะไรที่ตรงไหนแล้วก็จากนั้นก็พระองค์ก็ไปคุยธรรมะให้เขาฟัง จนกระทั่งก็รู้ธรรมะตื่นขึ้นมาโดยจนกระทั่งเขาตื่นขึ้นมาจากหลับอยู่กับอวิชชาแล้วก็มาอยู่กับตัววิชชาอยู่กับตัวปัญญานี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าไปปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาเจ็ดแล้วก็ไปบินตบาดทนีนี้เกี่ยวกับองคุลิมานองคุลิมานโจร พระองค์ก็ทรงแสดงอภินิหารคือด้วยการที่ทําให้องค์กุริมานนั้นตื่นขึ้นมานี่ก็สําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อองค์กุริมานวิ่งไล่แต่พระองค์ก็เดินเฉยๆองค์กุริมานก็วิ่งตามไม่ทันคือถ้าพระองค์ไม่ไปขัดขวางในตอนนั้น องคุลิมานก็จะไปฆ่าแม่ของตัวเองธรรมดาว่าผู้ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ผู้นั้นจะถึงทางตันไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุเป็นพระโสดาสกิทาอนาคาจนกระทั่งว่าเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ว่าองคุลิมานโจรนี่ ยังมีอุปนิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะยังไม่ได้ข้าแม่แต่นั้นพระพุทธองค์จึงจะต้องไปโปรดคนสำคัญในวันนี้ก็เลยไปโปรดองค์ปรีมาพระองค์ตรัสเปลี่ยงคำที่สำคัญคือคำเดียวว่าหยุดคำนี้องค์ปรีมานก็ว่าเออ ทำไมท่านบอกว่าเราหยุดท่านก็ยังวิ่งอยู่เราองค์ก็ตัดว่าองคุลิมานเราในหยุดแล้วแต่ท่านที่ยังไม่หยุดความถูกไหมองคุลิมานความถูกหยุดทีนี้สอนพวกเด็กๆองมือนะเนี่ยจะได้หยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ย้อนกันอย่างนั้นเล็หน่อยใกลๆก็ไม่ค่าสัตว์ไม่ฆ่าคนกันทังนั้นแล้วทาไมไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้หมายาว่าหยุดที่ทำนั้นไม่ได้หยุดฆ่าคนแต่ว่าคือหยุดการปรุงแต่งจิตในหยุดไม่ใช่กายหยุดหมายถึงจิตหยุดการปรุงแต่งแต่ไม่ใช่หยุดอยู่เฉยๆหมายถึงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจาก หลับอยู่กับอวิชชาทำอะไรอยู่ตามอํานาจของอวิชชาคิดด้วยอวิชชาทำด้วยอวิชชาพูดด้วยอวิชชาก็เท่ากับว่าอยู่ด้วยอวิชชาทีนี้ก็หยุดจิตเน่ยหยุดอวิชชาเสียพอหยุดอวิชชาก็เปลี่ยนไปอยู่กับวิชชาตัววิชาก็คือตัวปัญญานั่นเอง จิตที่ประกอบด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาตื่นจากหลับตื่นจากหลับที่อยู่กับอวิชชาน่ยมันหลับแต่พอตื่นขึ้นมาก็อยู่กับวิชชาทันทีอยู่กับปัญญาขึ้นมาทันทีตื่นพอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าโอ้จิตนี้ก็ไม่ใช่เราจิตนี้เกิดเกิดดับๆับ ก็ดูดิเราดูดิดูว่าจิตนี่มันจะเกิดเกิดดับๆมันคิดเรื่องนี้ก็ดับคิดเรื่องนี้ไอ้จิตคิดแต่มันเกิดแล้มันหยุดคิดแล้วก็ดับมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นคือมันทำหน้าที่ตามธรรมชาติไอ้จิตนี่มันก็เกิดเกิดดับๆับไอ้คำพูดที่ที่กําลังพูดอยู่นี่มันอาศัยวิตกวิจารณ์ แล้วมันก็ออกมาเป็นคำพูดมันก็เกิดเกิดดับดับนี่คือวจีสังขารมันก็เกิดเกิดดับดับจิตสังขารที่พูดแล้วมันก็เกิดเกิดดับดับการกระทำาการกระทำทางกายมันก็เกิดเกิดดับดับไอ้กายนี้มันก็เกิดเกิดดับดับมันไม่ได้หยุดอยู่นิ่งๆิ่งไอ้ที่เรานั่งอยู่นิ่งๆิ่ง แต่มันก็ไม่ได้นิ่งมันก็ทําหน้าที่ว่ามันเรื่อยกายก็เกิดเกิดดับดับวาจาก็เกิดเกิดดับดับจิตก็เกิดเกิดดับดับอนนี้จิตที่มันตื่นแล้วมันก็เห็นว่าเออจิตนี้ก็เป็นธรรมชาติจิตนี้ไม่ใช่เรานั่นคือพอมันตื่นขึ้นมามันก็เห็นจิตเป็นธรรมชาติแล้ว แล้วมันก็เห็นกายเห็นวาจาเห็นตัวเจตนาต่างๆมันก็เกิดเกิดับดับที่เรียกว่าสังขารคือการเกิดดับเป็นธรรมชาติทีนี้จะเห็นว่าเมื่อเราไปงานศพพระจะชักอนิจจา เราเรียกว่าชทกอนิจจาหรือบางทีก็เรียกว่าไปกรงสุภากรรมฐานแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรกับใครเท่าไหร่แม้แต่กับพระเองนี่เพราะว่าอานิจจาว่าตสังขาราเมื่อกอ่อนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนนี่พระจะต้องลงไปที่หิบศ พอสวดเสร็จก็ไปที่หีบศพเขาก็จะเปิดขวาลงศพพระก็ไปเกาะลงศพแล้วก็ไปชักอนิจจาวะตาสังขาราอุปาตตวยธรรมิโนอุปจิตตวานิลุชันติเตสังโุปัสโมสุโคพอมาสมัยนี้ก็เปลี่ยนน า, นามัยจักก็ทำให้พระ ไม่ต้องไปชจ้ง า, านิจจาที่ปากโลงก็เลยเอาสายสินภูก็กับหีบศพแล้วก็ดึงมาที่พระที่ท่านนั่งอยู่นั่นแหละแล้วก็มือไปจับสายสิญานิจาวาตสังคาราก็ทำอย่างนั้นกันบ่อยๆพระ ก็ไม่ตื่นโยอมก็ไม่ตื่นก็เลยหลับ ก, กันไปหมดเช่นว่าประโยคสุดท้ายว่าเตสังโวปัส ม, มุสกโ ข, ขการเข้าไปสงบระงับสังการเหล่านั้นเป็นสุขการเข้าไปสงบระงับก็หมายถึงว่าจิตที่ตื่น จิตที่ตื่นตื่นแล้วก็เห็นกายสังขารวาจีสังขารจิตตสังขารมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ข้าไปยึดมั่นถึงมัน่นเมื่อท่านเห็นข้อนั้นจิตของท่านก็ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาเป็นยังไงทีนี้มันก็เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไอจิตตัวนั้นก็เลยส ง, งบเย็นเกิดความส ง, งบเย็นขึ้นมาเห็นว่าโอ้จิตที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันโลง่งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่แต่เห็นตามอำนาจถ้าเห็นตามอำนาจของอวิชชาน่ยมันเห็นตามความไม่จริงเห็นไม่ตลอดสายแล้วข้าไปยึดมัน่นถือมัน่น เตเสังบูปะสะโมโสดโ ข, ขนี่เห็นตามความเป็นจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงท่านก็ไม่ข้าไปยึดมั่นถือมัน่นจิตตัวนั้นทำให้จิตตัวนั้นตื่นแล้วก็ไม่ข้าไปยึดถีในตัวจิตเองแล้วก็ไม่ข้าไปยึดถือในสังขารทั้งสามอย่าง ก็เลยเตสังวูปสมุสุโขจิตเกิดความสงบเย็นมีความสงบเย็นอยู่กับความสงบเย็นเนี่คือจิตตัวนั้นยันนั้นองค์ุลิมานโจรพอพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วท่านซ่ยังไม่หยุดองค์ุลิมานฟังถูก พอความตัวก็หยุดทันทีหยุดจิตที่เป็นตัวกูของกูปล่อยจิตนั้นให้เป็นธรรมชาติไปเมื่อจิตเป็นธรรมชาติให้สังขารต่างๆมันก็เป็นธรรมชาติแทนไหมมันเป็นธรรมชาติมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินี่ถ้าว่าไปตามหลักของปัญจจ ร, รุคบาทอาวิชชาคือจิตงโง่จิตงโง่ เป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขาระวิชาจิตโง้มันถูกยึดถือเมื่อมันถูกยึดถือเสร็จแล้วจิตตัวนั้นมันก็ปรุงเป็นสังขารพอปรุงเป็นสังขารคือการสังขารวจีสังขารจิตถสังขารสังขารก็ปรุงอีกปรุงทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็คือตัวความรู้สึก ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอแต่เมื่อจิตมันถูกยึดถือหลับตาดูเด็เมื่อจิตมันถูกยึดถือว่าจิตนี้เป็นกูฉะนั้นไอ้ความคิดการกระทําคําพูดมันก็เป็นกูหมดทีนี้สังขารเป็นปัจจัยแต่ให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็คือตัวความรู้สึก ตัวความรู้สึกตัวนั้นก็กู้รู้สึกเียมันก็เป็นกู้ไปหมดเมื่อกูรู้สึกขึ้นมาเมื่อความรู้สึกนั้นเป็นกูวิญญาณก็เป็นปัจจัยทาให้เกิดนามารูปนามารูปก็คือกายกระใจก็แบ่งหยาบๆยาแบ่งหยาบหยาคือกายกระใจเมื่อความรู้สึกว่าเป็นกูใไอ้กายกระใจนั้นก็เป็น อมกูขึ้นมาทันทีเลยคือจิตเนี่ยมันความรู้สึกเนี่ยตัวจิตนี่มันอยู่ข้างในตัวจิตคือก็อยู่ข้างในเดเป็นตัวสังขารก็ยังอยู่ข้างในตัววิญญาณมันเริ่ม อ, ออกมาข้างนอกนะออกมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัววิญญาณแต่มันก็ยังสยบอยู่ข้างในเพราะว่ามันยังไม่ได้ทางานนี่พอมันทำงานขึ้นมา เช่นว่ามันมีความรู้สึ ก, กว่านี่คือกายกูนี่คือใจกูวิญญาณ น, นั้นมันจึงออกมาออกมายึดถือว่านี่คือกายกูใจใกูกายกับใจมันก็ยังเป็นส่วนหยากอยู่ก็เลยแบ่งออกไปเป็นหกออกไปเป็นอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ วิญญาณเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามารูปคือกายกระจนามารูปเป็นปัจจัยทําให้เกิดอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ข้าไปยึดถือในอายตนะอีกเ้าไปยึดถือว่า น, นี่คือตากูกูกูจมูกลิ้นกายใจเป็นกูไปหมดเนีย่ยมันเป็นกูไปหมดนี่คือหลับ จิตที่หลับพอหลับแล้วมันก็เข้ามายึดถือทีนนี้ตามันก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่ในการดูในการเห็นตาก็มีหน้าที่ในการที่ดูรูปเห็นรูปแล้วมันก็ไม่รู้จักรูปไม่รู้จักว่ารูปนี้สีเขียวสีแดงคนนั้นคนนี้คนโน้นมันรู้จักแค่นั้นเองแต่มันไม่รู้ว่ารูปนะั้นมันเกิดเกิดดับดับ ไม่รั้วาตาก็เกิดเกิดดับดับมันไม่รู้ีนี้เสร็จแล้วไอ้วิญญาณเรียก ว, ว่าจักปูวิญญาณมันก็เกิดมาประสมโรงกันอีกพอเกิดมาผสมรวงข้าวพอตาทำหน้าที่ไอ้วิญญาณนั้นก็เข้ามาผสมก็ทําให้เกิดการกระทบเราเรียกว่าปัดสาการกระทบก็เรียกว่าปัดสา กระทบทางตาก็เรียกว่าผัสสะทางตาแต่มันก็กระทบทั้งหกทางนั่นแหละทั้งทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจแต่อย่าลืมว่าทุกตัวมันถูกสะกดด้วยอวิชชามันถูกสะกดด้วยอวิชชาทั้งนั้นที่พอเป็นผัสสะขึ้นมาคือเมื่อมันกระทบขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือผลเรียกว่าเวทนา มันข้าไปพอใจก็เรียกว่าสุขเวทนามันข้าไปไม่พอใจก็เรียกว่าทุกเวทนามันข้าไปโง่ไปเฉยๆอยู่ในสิ่งที่มันเห็นก็เรียกว่าเป็นเวทนานี่เป็นเวทนาแล้วเพราะเป็นเวทนาแล้วเวทนานั้นมันก็ยังผสมโดยอวิชชาอยู่ท่านั้นไอจิตตัวนี้พราอมันเกิดความพอใจ มันก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากที่จะดึงก็มาหาตัวมันถ้ามันเกิดความไม่พอใจมันก็เกิดความอยากขึ้นมาที่จะทํำลายถ้ามันเกิดพอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่มันก็เกิดเกิดโง่ขึ้นมานี่เห็นมไ้มก็เลยเป็นตัญหามันไม่ยอมดับสักทีเนี่ยทีนี้ถ้าจิตนั้นมันตื่นหรือมันไม่หลับกับอวิชชา เมื่อจิตนั้นมันตื่นเมื่อมันตื่นเป็นยังไงก็เกิดวิชาขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาจิตนี้ไม่ใช่กูจิตนี้ไม่ใช่เราจิตนี้เป็นธรรมชาติจิตนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตนี้ก็สัตว์แต่ว่าจิตพูดส้มพุดซ่าเมื่อประสังกานายกองค์ที่หก เนยท่านไปอยู่ในสำนักของอาจารย์ใหญ่จนกระทั่งว่าเกาถึงเวลาที่จะเลือกพระสังนายกขึ้นมาเนี่ยท่านก็มีพยานหลักฐานคือจะต้องมอบบาทมอบจีวร น, นั้นให้ผู้ที่จะเป็นพระสังนายกองค์ที่หกก็บอกว่าประกาศเป่ารองว่านี่ สิทธ์ทั้งหมดซึ่งมีพันคนใครมีความสามารถก็ให้มาแสดงออกแล้วเราก็จะมอบบาทมอบจีวร น, นี้ให้ก็มีไม่มีใครที่จะเกินเลยหัวหน้าสิทธิ์ไปได้ใครๆก็ไม่กล้าทังนั้นแค่หัวหน้าสิทธิ์ก็ยังเป็นผู้ทุชนอยู่ ทำยังไงทีนี้จะข้าไปหาพระสังกานายกองที่หา้าก็ไม่กล้าเดินข้าไปก็ร้อนร้อนหนาวหนาวไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องกลับทำยังไงสองข้างทางเดินเป็นฝาผนังก็เลยเอาตเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่าก็าเลยเขียนความรู้สึกเอาไว้ว่ า, วาร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพ จิตไปจิตใจนี่เปรียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเชดให้มันสะอาดจะอดเวลาแค่นะั้นพระประสังกนายกอง์ที่หา้าท่านมาเห็นว่าเออนี่ใครเขียนเนี่ยเออสียได้ความว่ า, วาหัวหน้าสิทธิเขียนก็ประกาศเปล่าร้องว่าให้สิทธิในสำนักทั้งหมด มาจดแล้วก็ออกไปท่องเพื่อเป็นสิริมงคลจะได้ไม่ตกนรกแค่นั้นเองก็เลยท่องกันคร้มไปหมดทั้งสำนักทีนี้ประสังกนายกองที่หกซึ่งยังไม่ได้เป็นยังเป็นสิบงโง่อยู่ก็อยู่ที่ลงกระเดื่องมีหน้าที่ในการปาาฟืน้นมีหน้าที่ในการที่จะตั้งข้าวสาร ก็ท้องกันหมดก็ได้ยินเสียงก็ท้องกันถามสิทธิที่เป็นเพื่อนกันว่าอะไรที่ก็ท้องกันเออเจ้านี่โง่จริงก็ท้องกันหมดทั้งวัดแล้วนี่เรื่องมันเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้ท่านก็รู้ขึ้นมาพอรู้ขึ้นมาว่าเออนําฉันไปดูทีทีก็ไปดูไปดูที่เขาเขียนนั่นแหละเออ อ่านในฉันฟังน่อยดิเพราะว่าพระสังกนายกองค์ที่หกที่ที่ชื่อว่าสิบโง่ไปรเรียนเซ็นเนี่ยท่านไม่รู้หนังสือหรอกนั้นญาติ ย, ยอมที่ไม่รู้หนังสือะไม่ต้องไปเสียใจแม้แต่ว่าสิบโง่ไปรเรียนเซ็นก็ยังไม่รู้หนังสือท่านก็ยังเป็นได้ถึงพระสังกนายกองค์ที่หกและท่านก็เป็นพระอราหันต์ได้เหมือนกันนี่พอ จะเตียมไปช่วยอ่านให้ฟังสิ์คนนั้นก็อ่านให้ท่านฟังว่าร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเปรียบเหมือนกระจกหงงเราต้องเช็ดให้มันสะอาดทุกเวลากี้ขุ่นจึงจะลงจับไม่ได้ท่าน ก, ทานก็ท่านก็ปฏิบัติมานานแล้ว ปฏิบัติอยู่ที่ลมกระเดื่องนั่นแหละท่านบอเออช่วยเขียนให้เราหน่อยที่เราก็มีเฉลูเหมือนกันเขาเรียกว่าเฉลกอในเมื่อมันไม่มีต้นโพไม่มีกระจงรองแล้วที่ฝนมันจะลงจับที่ตรงไหนเห็นไหมนั่นเนี่ยตัวแทแล้วนั่นแหละคือตัวแท้แลวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจิตที่ตื่นน่ะ มันก็เป็นจิตที่ไม่ใช่ต้นโพแล้วไม่ใช่กระจกเงาแล้วขี้ฝุ่นมันจะลงจับได้อย่างไรนั่นคือจิตที่ตื่นแล้วที่ตื่นแล้วมันก็เห็นว่าจิตเองก็ไม่ใช่ตัวกูความคิดก็ไม่ใช่กูความรู้สึกก็ไม่ใช่กูกายใจก็ไม่ใช่กูตาหูก็ไม่ใช่กูสิ่งที่เข้ามากระทบกก็ไม่ใช่กู ผลที่ออกมาคือเวทนาก็ไม่ใช่กูมันก็ว่างกันมาหมดถ้าตื่นแล้วมันก็จะว่างเมื่อจิตมันว่างก็เท่ากับว่าจิตดับจิตดับแต่จิตดับนี่ไม่ใช่ตายคนไปเข้าใจว่าถ้าจิตดับนี่ก็คือตายก็ก็ไปเข้าใจว่านู่นสถานที่ดับจิต แต่ตามจริงจริงสถานที่ดับจิตนี่มันที่ตรงนี้เลยที่เนื้อที่ทัวที่ร่างกายนี่แหละที่ดับจิตแล้วก็ดับเข้าไปข้างน้อยคือให้อวิชชามันดับเมื่ออวิชชามันดับก็เหลือแต่จิตล้วนล้วนไม่มีกิเลสเข้าไปครอบงำเหลือแต่จิตล้วนลวนทีนี้กิเลสมันก็ดับไอตัวกูดับพอตัวกูดับคือจิตที่เป็นตัวกูดับ ไอ้สังขารมันก็ดับไอ้วิญญาณมันก็ดับนามรูปมันก็ดับอาญตนะมันก็ดับปัสสามันก็ดั บ, ดบเวทนาทั้งหมดมันก็ดับตัณหามันก็เกิดไม่ได้ทีนี้เมื่อมันดับนี่แหละคือหยุดคำว่าดับก็ดีคำว่าหยุดก็ดีเป็นตัวเดียวกันหยุดหรือว่าดับ พอจิตนี่มันหยุดจิตนี้มันดับเป็นยังไงทีนี้พอดับแล้วก็เห็นความว่างทุกอย่างมันมีแต่เกิดดับไอตัวเรานี่ก็เกิดดับจิตก็เกิดดับดูภายนอกเดี๋ดูดิดูต้นไม้ดูภูเขาดูที่สิ่งที่ตามองไปเห็นมันเป็นเพื่อนเราทาั้งนั้นเลยคือเป็นเพื่อนจิตเป็นเพื่อนที่ว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับทั้งนั้น ไม่มีอะไรเป็นตัวตนเลยแล้วทุกอย่างชื่อว่าเป็นเพื่อนเราเพราะว่ามันว่างจากตัวตนทุกอย่างมันว่างจากตัวตนทางนั้นนี่เมื่อมันหยุดเมื่อมันดับก็เห็นความว่างขยายความว่างนั้นออกไปออกไปออกไปออกไปแล้วจิตนี้ก็อยู่กับความว่างทจิตมันก็อยู่กับความว่าง เห็นความว่างอยู่กับความว่าง <c oughs> นั่นคือจิตที่หยุดจิตที่ดับนี่ถ้ามันว่างนีน่มันก็ไม่เอาอะไรดีคือเมื่อมันเห็นว่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับว่างจากตัวตนมันก็ไม่กล้าไปยึดถือเมื่อไม่กล้าไปยึดถือมันก็อยู่กับความว่างสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะสงบเย็นทีนี้ เตสังวูปะโมสุโ ข, ขการฆ่าเป็นสงบประงับสังขารเหล่านั้นสงบเย็นมันจะสงบเย็นมันก็อยู่กับความว่างที่สงบเย็นอยู่กับอะไรทีนี้นั่นคือจิตตัวนั้นจิตตัวที่มันหยุดดังนั้นทํำยังไงให้เราตื่นขึ้นมาให้ลุกขึ้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วให้ตื่นอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆ ท, ที่ว่าลืมตาอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ดื่มอยู่กินอยู่เคี้ยวอยู่กลืนอยู่ท่ายอยู่อาบอยู่ทําอะไรอยู่ให้จิตมันตื่นตื่นว่าไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ CROSSTALK จิตนี้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ว่างๆๆๆว่างว่างวงว่างจากอะไรว่างจากกู้เมื่อว่างจากกูไอโรภะโทสาโมหานั่นแหละคือกู้ วิชานี่นยแหละคือกูอันนี้มันว่างจากกูให้ตื่นอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาให้ตื่นอยู่อย่างนั้นนี่คืออยู่แบบพุทโธอยู่แบบเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระราหารัตท่านก็ตื่นพระราหารัตท่านตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลา ตื่นอยู่จนกระทั่งว่าจิตนี้ร่างกายนี้มันหมดสภาพเรียกว่าดับก็ไม่ใช่เพราะท่านปล่อยวางหมดแล้วจนร่างกายนี้มันหมดสภาพแล้วมันก็แตกสลายก็แตกสลายไปอีนนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ดับเมื่อดับแล้วคือเจ้าคว้าใายสิท ธ, ธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเจ้าคว้าใยสิท ธ, ธัตถะ ไอจิตตัวนั้นมันก็ดับไปพอจิตตัวนั้นดับ่อยมันก็เกิดพรุงขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ท, าทันทีคือจิตที่ตื่นน่ะจิตที่ตื่นนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้รู้ขึ้นมาเป็นผู้มีปัญญาขึ้นมากิเลสทั้งหลายอาวิชชาที่เป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายมันก็ดับหมดทีนี่การวัดที่พูดว่าดับไม่ใช่ตาย ถ้าดับตายพระพุทธเจ้าก็ตายไปแล้วที่ที่ตายต้นโพน่นะแต่ว่าไม่ได้ตายเกือเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อร่างกายของพระองค์ได้สลายไปแต่จิตตัวนั้นที่พระองค์ทรงถ่ายทอดให้พระ ให้กูบาศกูบาสิกาภิกษุภิกษุณีนีนะ่ยเราก็ได้รับอิทธิพลของตัวนั้นคือจิตตัวที่ตื่นนั่นแหละก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าไม่ตายใครปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ไปอยู่ที่ผู้นั้นแหละคือถ้าใครปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติจริงจนกระทั่งว่าหยุดได้แล้วก็จิตนั้นก็ตื่นเมื่อจิตนั้นตื่นอยู่นั่นคือ มีพระพุทธเจ้าอยู่ในบุคคลผู้นั้นเราไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวบุคคลแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นตัวนามมาทำอย่างนี้คือจิตที่ตื่นจิตที่ตื่นอยู่นั้นคือจิตที่ไม่หลับ ก, ก็คือจิตที่ไม่ตายคือจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายไปทำความเข้าใจให้ดีๆแล้วก็ไปปฏิบัต จนกระทั้งว่าจิตนั้นมันตื่นอยู่ตลอดเวลาให้มันตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราว่างว่างว่างว่าว hmm. ่างจากเรานั่นเองคือว่างจากความยึดม right ั่นถือมั่นไอ้ประสาทต่างๆก็ทํางานไปให้อย่างนี้เรียกว่าอร่อยอย่างนี้ไม่อร่อยอย่างนี้พอใจอย่างนี้ไม่พอใจก็เห็นเนาไอ้ความพอใจก็เกิดดับความไม่พอใจก็เกิดดับ เมื่ออารมณ์มันเข้ามาทางตาทางหูก็เห็นแต่เรื่องการเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรนันก็เกิดดับซ้ำซากอยูอย่างนั้นให้ได้จิตที่ตื่นก็อยู่เหนือการเกิดดับเหล่านั้นแล้วก็มันหยุดการเกิดดับเสียได้ใการเกิดดับนะั่นแหละเรียกว่าสังขารนั่นแหละคื อ, อตัวสังขารเห็นการเกิดดับหรือตัวความรู้สึกที่มันเกิดดับเหล่านั้นทีนี้จิตที่ตื่นมันอยู่เหนือ อยู่เนือสังขารานะั้นก็เลยไม่เอาไม่เอามันก็อยู่กับความว่างเห็นว่าเฉ่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองลูกเกิดทางตามันก็เช่นนั้นเองอยังเกิดทางหูพอใจไม่พอใจมันก็แค่นั้นเองมันเห็นแค่นั้นเองทุกอย่างก็เห็นว่ามันแค่นั้นเองมันแค่นั้นเองไม่ขาดไปเอาอะไรนี่ให้อยู่เพื่อความเป็นผู้ตื่น อยูด่ด้วยการเป็นพุทธบริษัทเต็มร้อยกันเถอะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปอะไรมันครับร่างกายก็ดูแลมันทำความเหมาะสมครับจิตก็ดูแลมันอย่าให้กล้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าให้มันมีตัวกูขึ้นมาเรื่องมันก็มีเท่านี้แต่ทําไมพุทธบริษัทเราไม่ได้ก็เพราะเราไม่จริงถ้าเราศึกษาไม่จริงเราปฏิบัติไม่จริง นนก็เลยได้รับผลที่ไม่จริงนั้นญาติโยมทั้งหลายแห้เอาไปคิดเอาไปนึกเอาไปปฏิบัติกันเถิดท้่ก็ให้มันจริงถ้ามันจริงขึ้นมามันก็ได้รับผลจริงคือความสงบเย็นดังนั้นขอให้ทุกคนเป็นปฏิบัติจริงได้รับผลจริงแล้วก็ได้รับความสงบเย็นจริงๆแล้วก็อยู่กับความสงบเย็นตัวนั้นเวลาของการบรรยาย เอเอเห็นว่าพอสมควรแล้วขอยุติกันบรรยายเอาไว้แต่เพียงเท่านี้